มีความทุขกันทุกคนเช้านี้อากาศเย็นหน่มหนาวเริ่มมาอีกแล้วตื่นขึ้นม า, ารีบรู้กายรู้ใจของเราให้ทันตแต่ตื่นตั้งแต่เช้าเราได้เจริญสติแล้วรู้อยังรู้จักกอสติปัญญาไปพิจารณาใจพิจารณากายของตัวเราเอง อยู่ตลอดเวลาอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งนี่เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์นชนสูงสุดจนกระทั่งถึงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาจะครบใจชันก็พิจารณาก็ประมาณในการครบชันของตัวเราไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนีย่กายของเราเกิดความหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยาก เราก็ต้องดูกะประมาณในการครบชันของเราใจเกิดความอยากอันโน้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเอาแน่น้อยกลัวไม่อิ่มกิเลสมันสั่งบอกว่าเอาเยอะๆ อ, อาหารยังมาไม่ถึงตามันมองเห็นอาหารอันโน้นอันนี้กูจะเอาอันโน้นเอาอันนี้ใจมันเป็นตัวสั่งเราก็พยายามหยุดพยายามดับดับความอยากของใจ แล้วก็เอาด้วยปัญญากะประมาณในการครบฉันของตัวเรากะประมาณว่าอิ่มอิมพอดีถ้ามันเกินถ้าใจเกิดความยากเราก็พยายามดับความยากถ้าดับไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามัดให้มันผ่านเลยไปพอผ่านเลยไปแล้วใจยังเกิดความอะไรอาวร์ อ, อีกหรือไม่เราก็ต้องดูไม่ใช่ว่าฉันจะเอาอันโน้ออันนี้ นี่ฉันก็ไม่ทุกมันไม่ใช่การเกิดขงใจนั่นแหละคือความทุกข์ความเกิดนั่นแหละคือกิเลสอย่างละเอีย ด, ถ, ดถ้าไม่มีความเกิดถ้าไม่มีความเกิดใจก็ไม่หลงอันนี้เขาหลงมาเกิดเกิดในมาเกิดสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวใจเอาไว้แล้วก็ขณะอยู่ในร่างกายนี้ใจยังเกิดตก ตั้งแต่เช้ามาไม่รู้เกิดสักกี่เรื่องคือความคิดของเรานั่นแหละความผิดมันเกิดอย่างไรหรือว่าอาการน้องขันห้ามาปรุงแต่งใจของเราได้อย่างไรใจของเราไปรวมไปร่วมได้อย่างไรต้องเป็นคนที่ขยันขยันหมั่นเพียรมีการทำความเข้าใจให้ถูกต้องรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ใจที่ปกติเป็นอย่างนี้ก็ ใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่คลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามเป็นลักษณะอย่างนี้เราต้องดูเราแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราอย่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำความเข้าใจกับชีวิตของตัวเราเองตําหนิตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองโทษตัวเราเองอย่าไปโทษคนโน้นไปโทษคนนี้มาวัด ก็พยายามเข้าให้ถึงวัดวัดภายในวัดภายนอกมีความสุขมันอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรคนยะละอะไรคนเจริญถ้าคนรู้จักเอาใจโยกับบุญตลอดเวลาใจเป็นบุญนั่นแหละคือตัวบุญกายก็เป็นบุญอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็รีบทำต้องพอ ข, อขอขอบใจทุกคนที่ได้มาช่วยกันมาร่วมกัน อยู่หลายคนหลายท่านนี่มาจากคนละทิศละี่ละทางมาอยู่รวมกันเคยสร้างบุญร่วมกันนั่นแหละถึงไดมมนะ้มาอยู่ร่วมกันขณะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็พยายามหัดเป็นคนมีความเชื่อละอดทนอดกลั้นรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็ช่วยกัน งานหนักก็จะเป็นงานเบางานเบาก็จะเป็นความสุขสนุกในการทำการทำงานเอาการเอางานเป็นการฝึกผลตนเองเป็นการฝึกขัดปฏิบัติทำงานไปด้วยใจรับรู้ไปด้วย <c oughs> สติพิจารณาใจไปด้วย <c oughs> เราก็จะได้เกิดประโยชน์ประโยชน์ภายนอกคือสมมุติต่างๆเราก็ช่วยกันทำกายของเราก็จะได้ มีความสุขใจของเราก็จะได้มีความสุขถ้าสมมุติไม่เรียบร้อยการความเป็นอยู่ปัจฏิสีไม่บริบูรณ์กายก็ลำบากใจก็ดิ้นรนเราก็ต้องพยายามมาทําให้สมบูรณ์แบบทั้งสมมุติทั้งวิมุตติวิมุตติส่วนทางด้านจิตใจเราก็พยายามหมั่นอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของตัวเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของตัวเรา ไม่ใช่ว่าฉันบวชมาแล้วจะเข้าถึงธรรมเลยอันนี้ยังยังไม่ใช่เราก็ต้องพยายามมาวิเคราะห์มาจเจริญสติปัญญาก็าไปดูรู้เท่าทันจนใจของเราคลายออกจากกันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามอันนี้ถ้าคลายออกเมื่อไหร่แยกออกเมื่อไหร่ความเห็นถูกหรือว่าสัมมาทิฐิถึงจะเปิดทางให้ นี่ถ้าไม่ถึงเวะลาะถึงเวลาก็ยากที่จะแยกคลายถ้าแยกคลายได้ตามถ้าไม่ตามทํ า, าทความเข้าใจให้รู้ทุกิริยบทอีกเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพดื่มเราจงพยายามมีความเพียรสร้างความเพียรสร้างความรับผิดชอบสร้างความเฉลสละเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มันแก้ไขมันปรับปรุงพิจารณาตัวเราอยู่ตลอดเวลาอนนี้ใจที่ปัสกาเกเลตเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ไม่ไ <c oughs> ไ เ, ôm, เกดิดกเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฟังไปผ่านหูไปเฉยเฉยฟังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วยความรู้ตัวรู้กายรู้ลมหายใจเป็นลักษณะอย่างนี้ แต่การหายใจแล้วก็หายใจตั้งแต่เกิดแต่เราขาดการสนใจดูรู้เวลาจะดูทีทำไมมันถึงอึดอัดทำไมถึงไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเราขาดความเพียรในการวิเคราะห์ยิ่งไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็ยิ่งสร้างความเพียรเป็นทวีคูณให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราความเฉสระของเรามีหรือเปล่าเราก็ตรงดู เดือนนี้เดือนมกราเนวันที่เท่าไหร่แล้วเจ้าคุณเดือนมกราวันที่เท่าไหร่ใกล้จะถึงสิ้นเดือนยังวันที่ย8บแปดมกรามกรากุมภามีนา <c oughs> เดือนมีนาคมมีนาคมเดี๋ยวเราพวกเราจะได้สร้างบุญใหญ่อีกทีหนึ่งวันที่สิบสองมีนาคม มีเจ้าภาพใหญ่หเจ้าภาพหลักที่จะมาหล่อองค์พระพุทธรูปองค์แทนหลวงพ่อโสธรหน้าตากสองเม็ดมาหล่อทองเหลืองที่วัดของเราวันที่สิบสองมีนาคมญาติโยมท่านใดใได้ทราบข่าวได้ยินข่าวก็มาเชิญมาร่วมกันมาบูชา แผ่นทองก้อนทองสลักชื่อนามสกุลเพื่อที่จะลอ้อมเทองค์พระเทองค์พระวันที่สิบสองมีนาคมที่วัดของเราเทที่ลานมหาเจดียองใหญ่เท่ากันกับ อ, องค์ที่องค์ปฐมที่อยู่บนวิหารพระยกได้เอามาไว้ที่แท่น กำลังทำแทน่นวันนี้ก็คงจะเสร็จชีเรา ว, วันนี้หลังจากชันเข้าเสร็จผ่ากันมาทำความสะอาดวิหารพระยกให้หน่อยนะเพราะว่ามีแต่ฝุ่นเพราะว่าเราทำแทน่นอง์พระที่จะไว้รองรับไอ้หลวงพ่อโสธรจำลองหน้าตักสองเมตร พวกเรามีโอกาสได้มาหล่อมาล้อมเขียนชื่อเขียนนามะกุลลงแผ่นทองหรือว่าก้อนทองทางโรงงานก็จะส่งแผ่นทองก้อนทองมาให้ทุกคนได้บูชาได้มาร่วมกันมีโอกาส เ, ออเราก็ได้สร้างบุญฝากไว้ให้กับแผ่นดินไว้ให้กับส่วนรวมไว้ให้กับส่วนกลางมีโอกาสโอกาสเปิดการเวลาเปิด พวกเราก็ได้ร่วมกันได้ช่วยกันหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นบุญเราก็รีบทําส่วนทางโรงเรียนอีกไม่นานอาคารก็คงจะเสร็จเหลือเก็บรายละเอียดเรื่องสีเรื่องไฟต่างๆส่วนตัวอาคารนั้นก็ใกล้จะเสร็จบริบูรณ์ทุกคนก็มีส่วนร่วมอาคารโรงเรียนทั้งลานจอดรถ ที่โรงเรียนก็เกือบจะบริบูรณ์ก็คงจะเหลือการทำความสะอาดตีเส้นแล้วก็จัดตกแต่งบริเวณให้สวยให้งามเป็นอนิสงใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินพวกเรามีโอกาส ก, าก็มาร่วมกันมาช่วยกันส่วนมหาเจดีย์ใหญ่ ก็คงจะได้เริ่มทำลานเจทารานอจอดรถเสร็จก็คงจะได้ไปช่วยกันเร่งมือทำอทางมหาเจดีย์ต่องานใหญ่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จส่วนกุติวิหารของพระก็ไปได้เ8็ดแปดเก้าหลังก็ยังรำาเนินอยู่ก็ว่าจะให้ครบสักย0สบหลังพอได้อยู่ได้อาศัย พระเราก็ช่วยกันที่เราก็ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นประโยชน์ฝากเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลัง <c oughs> พวกเราจากไปรุ่นหลังก็จะได้สาร่อ <c oughs> ไม่ได้ลำบากมีโอกาสไม่ว่างานบุญอะไรมีโอกาสเราก็ทําส่วนทางการช่วยเหลือมอบลงศพให้ กับทุกคนที่ไหยชนในเขตเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในเขตจําบนสำราญอย่างเดียวแปดเก้าบนมาหมดได้ยินข่าวก็มารอบเมืองคอนเจนมามารับโรงวันละโรงบ้างสองโรงบ้างบางครั้ ง, งก็สามโรงติดติดกันเดี๋ยวนี้ก็ได้อนุเคราะห์กันไปเจ0ดรยสิบกว่าโรงแล้ะ ทั้งมอบลงศพให้อนุเคราะห์ให้ทั้งมอบทุนไปช่วยชาวพนกิจศพอีกศพละหาพันมีโอกาสใครอยากจะมาร่วมมาช่วยก็ขอเชิญนะอยากจะม า, อ า, อามอบลงศพก็มาส่วนวันที่13วันที่13มีนานิตตรงกับวันาามาคาโนใ ช, ใช่ไหมหรือวันวิสาขา มกกาลาคุมพาวันที่สิ บ, ส, บสาละ่ะส3เสาเดือนหน้านี้ตรงกับวันอะไรกันจันทร์วันจั น, นทร์มันหยุดชดเชยเนาะมันหยุดชดเชยมีผู้ใจบนุนจะได้ถ่ายชีวิตโคกระบือมาจากโรงข้าสัตว์ พวกเรามีโอกาสก็จะได้มาร่วมมาช่วยกันส่วนทางการแกะการแกะพระพธรูปหยกหินขาวที่นำมาจากอิตาลีเดี๋ยวนี้ก็ไปได้เยอะ อ, อยู่ที่ฝั่งตะวันออกหน้าบ้านของคุณหมอใครอยากจกะไปดูไปชมก็ไปกาว่าจะเอาองค์พระพธรูปหยกขินขาวใหญ่ไว้ ในมหาเจดีเช่ก่อนถึงจะได้ขึ้นข้างบนจะได้ไม่ได้ลำบากหลายสิ่งหลายอย่างเรามีโอกาสทำส่วนการชำร ะ, ะสางกิเลสภายในกิเลสเกิด ข, ขึ้นเมื่อไหร่เราก็พยายามละพยายามขัดเกลาพยายามเอาออกน้อมใจของเราให้อยู่ในกองบนอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งขณะที่กำลังกายยังแข็งแรงถ้งหมดกาลังแล้วก็ หมดสภาพก็เหลือตั้งแต่เรื่องบุญกับบาปทําความเข้าใจกับกับบุญบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปบาปก็คือความทุกข์ใจบุญก็คือความสุขใจอะไรที่จะนําความสุขมาให้เราก็รีบทำอย่าไปปล่อยปะละเลยอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้จงโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็พยายาม สร้างความเสียสละให้มีให้เกิดขึ้นอย่าเห็นแก่ตัวอย่เห็นแก่เกียรติคลาดตรงสร้างความขยันมันเพียนสร้างความรับผิด ช, ชอบจนใจของเราปล่อยวางได้หมดนั่นแหละจนดับความเกิดใดนั่นแหละแม้แต่ความเกิดแม้แต่ความอยากนิดเดียวก็อย่าให้มีเกิดขึ้นที่ใจของเรา อันนี้พูดง่ายแต่การกระทำการลงมือต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรทั้งภายนอกภายในมีความสุขอยู่ตลอดเวลาสุขในภาวะในเพศในภาวะของตัวเราเองไม่ใช่ว่าไปปล่อยพันเวลาปีนี้อาจจะได้มีการเททองหล่อพระสององค์องค์อีกองค์ที่สองเห็นว่าจะเทให้กับไว้กับ ทางโรงเรียนหน้าเสาธงจากท่านเจ้าคุณจากเทวันไนล่ะของท่านเจ้าคุณเสาที่หนึ่งเมษาเทที่โรงเรียนหรือเป่าหรือเทที่ไหนเทที่โรงเรียนมีโอกาสพวกเราก็จะได้มาร่วมกันมาช่วยกันลงลงหล่อเดียวกันไหมคนละลงมีโอกาสเดี๋ยวเทหลวงพ่อโสทรจำลองเชก่อน หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เท ท, ที่โรงเรียนเอาไว้ที่หน้าเสาธงเด็กๆจะได้ไหว้พระสวดมนต์ทั้งก่อนที่จะขึ้นโรงเรียนเช้าเย็นกลับจะแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่เห็นว่าท่านเจ้าคุณจะได้เป็นผู้บริหารตรงนั้นมีโอกาสก็ได้มาช่วยกันฝากเอาไว้ทำมากทําน้อยก็ขอให้มีส่วนร่วม ร่วมกันอย่าไปคิดว่าคนอื่นทำแล้วก็แล้วคนอื่นทำเรามีโอกาสเราก็ทำทำมากทาน้อยก็เป็นของคนอื่นเรามีโอกาสร่วมเราก็พยายามร่วมไม่ได้เราก็อนุโมทนาสาธุเราก็มีส่วนบุญอย่าไปมองข้ามแม้แต่บุญเล็กๆแนน้อยเราก็พยายามทำอย่าไปเห็นแก่ความเกลียดคร้านความความ แต่หนีเนียวแน่นเราพยายามขัดพยายามเกาพยายามเอาออกทุกเรื่องในชีวิตของเรามีอะไรก็รีบช่วยกันส่วนทางรงทานทางข้างบนทางข้างล่างมีโอกาสก็ให้ช่วยกันการทําบุญการให้ทานคนดูที่โรงครัวนี่ลำบากก็จะทําให้หมู่ให้คณะได้อยู่ได้กินได้รับประทานนี่หนักเราก็อย่าไปว่าการอคติกัน มีอะไรก็ให้ช่วยกันหมดแล้วก็หามาให ม, ไม่ไม่อดไม่ยากเทวดาเยอะแยะที่จะนำกับข้าวกับปลาที่จะนาอาหารการอยู่การกินเข้ามาให้มาช่วยกันทำทั้งน้ำเดืมมีโอกาสก็ามาไวา้อย่าไปให้อดให้ยากถ้าเราทำให้อดให้ยากก็ลำบากเราไม่ให้อดไม่ให้ยากเห เกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งบุญอยู่ที่ไหนก็มีความถุกวันนี้ทีเราฉันข้าวเสร็จก็ให้พากันมารีบทําความสะอาดวิหารพายุกันเพราะว่าได้ตัดหินอ่อนทําแท่นพระรู้สึกว่าฝุ่นละอองจะเยอะมารีบมาช่วยกันทําเพราะว่าคนท่องเที่ยวหรือว่าขรวาดญาติโยมจะมาเยอะให้เรารีบๆช่วยกันีะก่อน อ่าตั้งใจละพรกันอขอคอยทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของตัวเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือฟังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปายาวๆลึกๆสักสวงสามเที่ยวกายของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้น ควารู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็ชัดเจน่งทั้งลมหายใจเข้าหายใจออกเราอย่าไปเพ่งถ้าเราไปเพ่งในสมองก็จะตรึงถ้าเราเอาใจไปจดจอ่อหน้าอกก็จะแน่นเพียงแค่เราสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินจนเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้ การต่อเนื่องเชื่อมโยงคำว่าความระลึกรู้ตัวอยู่ปัจจุบันนธรรมคือทุกขณะลมหายใจเข้าออกถึงเรียกว่าปัจจุบันเราพยายามฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลูกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บรู้สัมผัสของลมหายใจปับ๊บจะลุกจะก้าวจะเดินเราก็พยายามเปลี่ยนความรู้สึกอยที่การเดินปุ๊บ จะเข้าห้องช่วมเข้าห้องน้ําก็ให้รู้ว่าใจปกติถ้าเราสร้างความรู้ตัวให้โตเนื่องให้เชื่อมโยงส่วนการเกิดการดับของใจการเกิดการดับขอ ง, ขอ ง, ข, องของความคิดหรือวัคขันห้าตรงนี้มีอยู่ก่อนมีอยู่เดิมเราก็จะเห็น ถ้าเราสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเราก็จะรู้ว่าแต่ก่อนสติตัวนี้ของเราไม่ค่อยมีถึงมีก็อาจจะมีบ้างเป็นบางช่วงบางคราวอย่างเช่นใจเกิดความโลภเราก็รู้จักดับรู้จักจุดใจเกิดความโกรธก็รู้จักดับรู้จักจุดหนุนกำลังสติปัญญาไปอบรมใจของเราการอบรมใจของเราต้องอบรมใจให้รู้ทุกเริยาบทจนใจคลายออกจากขันห้า ซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริง เปิดทางให้การตามดูการรู้การเห็นกันทําความเข้าใจชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลคือเห็นเหตุเห็นผลของขันห้าหรือว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ส่วนรู ป, ปรธรรมอันนี้ส่วนนามรธรรมกายกายทําหน้าที่อย่างนี้ใจทําหน้าที่อย่างนี้แต่เวลานื้ใจของเราทั้งเกิดทั้งหลงทั้งยึ ด, ท, ยดทุกอย่าง กำลังถติของเราก็มีน้อยออก็เลยทำให้ใจนิดหลงอยู่อย่างนั้นแหละอาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติแต่ในช่วนลึกๆแล้วใจยังหลงเกิดหลงเกิดแล้วก็หลงยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนนอกจากแนวทางของพระพุทธองค์เท่านั้นแหละที่ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจนใจยอมรับความเป็นจริงได้เขาถึงจะปล่อยจะวางได้ ถึงปล่อยวางไม่ได้ก็ขอให้น้อมใจของเราให้อยู่ในกองบุญกองกุศลให้อยู่ในความเชชาละมีความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆมีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าผัดวันประกาศพรุ่งเราจงพยายามทำปัจจุบันให้ดี แก้ไขตัวเราให้ดีอบรมใจของเราให้ดีได้บั่งไม่ได้บ้งาบงผิดพลาดแก้ไขใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่อยู่ตลอดเวลาจนใจของเราไม่เกิดนั่นแหละมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกัน เราละกิเลสไม่ได้ในวันนี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะละได้เราเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางในวันนี้วันพรุ่งนี้เมื่อรือ น, นี้เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าก็อาจจะถึงจุดหมายไม่ถึงจริงๆอา น, นิสงส์ผลบุญกุศลที่เราทำไปแหละจะไปต่ออาพบหน้าก็ต้องพยายามกันทําปัจจุบันนี้ให้ดีพบปัจจุบันนี้ให้ดีให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางกันให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น ถ้าเราสอนเราไม่ได้ก็ไม่มีใครที่จะสอนให้เราได้หรอกนอกจากตัวของเราการทําบุญให้ทานพวกเรามีโอกาสได้ทำหลวงพ่อก็พาทำอยู่ตลอดเวลาบุญสมมุติบุญวีมุติการศึกษาการค้นคว้ารื่องกายเรื่องใจเราก็น้อมกายของเราคมาศึกษาก็ต้องพยายามกันน ะ, ะสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้อารมหายใจวิงเข้าวิ่งออกก็จะปลายจมูกของเราให้โตเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งนิดหนึ่งก็ยังดีนะปากันไหวพระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสานโตทำความเข้าใจให้รู้ทุกรี่